อย่าพูดทั้งรู้ว่าไม่จริงโกหกหนึ่งรั้งคือสร้างความบิดเบี้ยวให้กับจิตหนึ่งหนอสังเกตดูก็ได้เวลาพูดปดแบบรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องไม่จริงพูดเสร็จให้ดูเข้ามาในใจตัวเองจะเห็นความฟุ้งซ่านจับไม่ติดหรือหากมีพื้นฐานเป็นผู้ทรงสติเป็นเยี่ยมอย่างน้อยที่สุดจะเห็นความเย็นชาของจิตมีความรู้สึกอยากเย้ยโลก และเห็นว่าการสร้างข้อมูลเท็จได้แนบเนียนคืออำนาจที่แท้จริงยิ่งความจริงถูกบิดเบือนให้เพี้ยนมากเท่าใดจิตวิญญาณของผู้บิดเบือนยิ่งเพี้ยนมากเท่านั้นพูดง่ายๆยิ่งโกหกบ่อยยิ่งเท่ากับออกแรงดัดจิตให้ผิดรูปดัดเองเพี้ยนเองตอนโกหกเอาตัวรอดตอนพยายามแก้ตัวน้ำคุณคุณ ตอนแกล้งพูดไม่รู้เรื่องเพื่อเอาชนะเป็นต้นเหตุของจิตเพี้ยนที่ชัดที่สุดกล่าวคือคุณยังพอมีสติรู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ใช้กําลังกายกําลังสมองกดความรู้ตามจริงหลอกตัวเองหลอกคนอื่นด้วยความหวังเฉพาะหน้าเมื่อไม่สนความจริงสนแต่สิ่งที่อยากได้ จะมีความเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ก่อตัวขึ้นทีละครั้งทีละหนแรงบ้างแผ่วบ้างตามระดับความจงใจดัดแปลงความจริงเหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆแผ่วเลือนจากใจไปเรื่อยๆกระทั่งบางคนไปถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยม่านหมอกไม่สามารถเห็นอะไรกลายเกินกำแพงอารมณ์คือจะเห็นอะไรจริงได้ก็ต่อเมื่อความจริงนั้น สนองอารมณ์ตัวเองได้แต่เมื่อใดความจริงตรงหน้าไม่อาจสมอารมณ์ไม่อาจได้ดังใจภาพความจริงทั้งหมดจะเลือนหายกลายเป็นสิ่งที่อยู่นอกกำแพงถูกกำแพงอารมณ์บดบังไม่ให้เห็นในทันทีเมื่อสมองเข้าหมดการทำงานแบบเห็นเพี้ยนก็จะเป็นพวกพูดโป่งตามอารมณ์หรือพูดอะไรแปลกๆแบบที่คนอื่นงงว่า เมื่อกี้พูดรู้เรื่องเหมือนคนปกติอยู่ดีๆแต่ทำไมตอนเนี้ยพูดเพี้ยนแบบคนบ้าไปได้และไม่ใช่เพี้ยนแบบที่เล่นทีจริงแต่เพี้ยนแบบเอาจริงทึกทักไปเองทั้งเพเหลือเชื่อว่าคิดไปไกลได้ขนาดนั้นซึ่งวารานั้นแหละเป็นช่วงสาธิต จ, จิตเพี้ยนได้ดีที่สุดคนอื่นเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นเราะหลอกตัวเองปิดบังความจริงตัวเองมิดแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นว่าโดยธรรมชาติของจิตที่จะอยู่ได้เป็นปกติไม่มีความเดือดร้อนและพร้อมจะไปดีต้องเป็นจิตที่ไม่ดัดความจริงให้เพี้ยนซึ่งจุดเริ่มต้นก็ได้แก่การตั้งใจจริงที่จะเอาความจริงมาพูดอย่าพูดทั้งรู้ว่าไม่จริงแล้วสติรู้ตามจริงจะยังคงติดอยู่กับตัวต่วตอไป